เจรอนพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันจัทร์ที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2559เป็นวันพระวันธรรวัฒนะวันฟังธรรมเป็นวันมงคลอย่างยิ่งอีกหนึ่งวัน ่าจะมีการกระทาที่เป็นมงคล น, นั่นก็คือการฟังเทศฟังธรรมตามการตามเวลาอย่างที่พุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ว่าเอกาเลนะธรรมิสวานังเอตัมมั ง, ง, มงกลมุตตะมังการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่ง การฟังธรรมตามการตามเวลาก็คือตามวันธรรมวัฏสวนะวันนี้เป็นวันธรรมัฏสวนะแต่ว่าเป็นวันฟังธรรม mm hmm. พุทธศาสนิกชนไม่ควรที่จะขาดการฟังเทศฟังธรรม mm hmm. เพราะเป็นเหมือนกับขาดแสงสว่างนำทางพาชีวิตให้ไปอยู่ไปสู่ความสุข ให้อยู่ห่างไกลจากความทุกข์ต่างๆถ้าไม่ได้ฟังเทศ mm hmm. ก็เหมือนกับไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่ไฟที่ใช้มันก็จะหมดได้ยิงต้องมาชาร์จไฟชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จความรู้ซึ่งเป็นเหมือนแสงสว่างไม่มีแสงสว่างใดจะสู้แสงสว่างแห่งธรรมแม้แต่แสงพระอาทิตย์ ก็ยังไม่สามารถที่จะส่องทะลุสิ่งต่างๆได้แต่แสงสว่างแห่งธรรมนี้สามารถส่องทะลุได้หมดทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันปัญญาคือธรรมนี้สามารถมองทะลุทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่จิตใจที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วย ตาของร่างกายเราก็สามารถที่จะเห็นได้ด้วยปัญญานี่คือความสำคัญของธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะถ้าไม่มีคำสอนชีวิตของพวกเราก็จะต้องละเหยเลืล่อนไปอยู่ในวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏที่มีแต่ความทุกข์ ทุกข์เพราะความแก่ทุกข์เพราะความเจ็บทุกข์เพราะความตายทุกข์เพราะการพลาดลาคจากกันที่พวกเราทุกคนยังต้อง <c oughs> ประสบกันอยู่แต่ถ้าเราได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังทำกันอยู่เรื่อยๆ เ, เราก็จะได้แสงสว่างที่จะพาให้เราออกจากการละเหเล่ล่อน พาเราไปสู่บ้านที่แท้จริงของเราที่มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดการที่เราได้มาเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาจึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะการที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยาก เกิดเป็นมนุษย์แล้วมาเจอกับพระพุทธศาสนาก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่เพราะพระพุทธศาสนาไม่ได้ปรากฏขึ้นมาในโลกนี้อยู่บ่อยๆนานๆจะปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งนานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรรสักครั้งหนึ่งถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรสพวกเราก็จะไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมไม่มีปัญญา ที่จะพาให้เราออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่มีปัญญาที่จะพาให้เราไปสู่บ้านที่แท้จริงของเราบ้านที่มีแต่ความสุขบ้านที่ไม่มีความทุกข์บ้านที่ไม่มีเสื่อมไม่มีวันหมดต้องมีพระพุทธศาสนาดังนั้นการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบพระพุทธศาสนาจึงเป็น ความโชคดีมหาศาลของพวกเราที่พวกเราจะได้มีโอกาสได้ออกหยุดการละเหยเลื่อนเวียนไหวาตายเกิดในสงสังสารวัตที่ไม่มีวันจบ เ, เวียนไหวาตายเกิดมานี่ไม่รู้นานสักเท่าไหร่แล้วภพชาติที่เราได้มาเกิดแก่เจ็บตายนี้นับไม่ถ้วน ถ้าอยากจะรู้ว่ามีมากน้อยเพียงไรพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเอาน้ำตาที่เราหลั่งในแต่ละภพแต่ละชาตินี้มารวบรวมกันไว้มันจะมีมากกว่าน้าในมหาสมุทรคิดดูว่าต้องเกิดต้งมาเกิดมาล้องให้กี่ครั้งกันถึงจะมีน้ำตามากกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นแหละคือจำนวนภพชาติของพวกเราที่ผ่านมา และจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกไม่มีวันจบถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาถ้าเราได้พบกับพระพุทธศาสนาได้พบคำสอนเราก็จะได้รู้จักวิธีที่จะนำพาชีวิตของเราให้ก้าวออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ให้เรายุติการหลั่งน้ำตาร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจ มีแต่ความสุขมีแต่ความสบายใจไปตลอดอันนี้เป็นโอกาสอันเลิศเป็นโอกาสที่นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งถ้าเรามาเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นมนุษย์เราก็จะไม่ได้ประโยชน์เช่นถ้าเราเกิดมาเป็นสุนักแล้วเข้ามาปล่อยมาทิ้งไว้อยู่ในวัด สุนัขถึงแม้ว่าจะอยู่กับพระพุทธศาสนาแต่ก็ไม่สามารถเรียนรู้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ต้องเป็นมนุษย์ถึงจะฟังธรรมได้เข้าใจภาษาธรรมเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ตอนนี้เรามีสิ่งที่จำเป็นต่อการที่จะทำให้เราได้หลุดพ้นกันแล้วคือเราได้เป็นมนุษย์ แล้วเราได้พบกับพระพุทธศาสนาสิ่งที่เราต้องทำขั้นต่อไปก็คือต้องหมันศึกษาให้มากๆฟังให้บ่อยๆเพราะการศึกษาพราะธรรมคำสอนก็เป็นเหมือนกับการดูแผนที่ดูทางที่เราจะไปว่าจะต้องไปทางไหนไปทางเหนือหรือไปทางใต้ไปแล้วจะต้องเลี้ยวซ้ายตรงไหนเลี้ยวขวาตรงไหนถึงจะทาให้เรา ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปได้ถ้าเราไม่ฟังเทศฟังธรรมเราก็จะไม่รู้ทางไม่รู้จักวิธีการปฏิบัติที่จะทำให้ใจของเราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราจึงต้องมาฟังเทศฟังธรรมกันนี่ อ, อาทิตย์ละหนึ่งครั้งอย่างน้อยเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติวันพระ ก็คือวันฟังธรรมนี่เองสมัยก่อนนี้การจะฟังธรรมต้องไปวัดเพราะไม่มีใครรู้ธรรมะนอกจากพระแล้วญาติโยมก็ไม่มีเวลาว่างที่จะไปทุกวันจะไปได้ก็เฉพาะวันหยุดทํางานก็เลยต้องมาวัดในวันพระกันหยุดทํางานในวันพระกันเพื่อที่จะได้มาฟังเทศฟังธรรม การฟังเทศฟังธรรมจะให้เกิดผลเกิดประโยชน์ได้ก็ต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบถ้ากายวาจาใจไม่สงบฟังเทศก็จะไม่เข้าเข้าไปเข้าไปในใจฟังแล้วจะไม่เข้าใจเช่นเวลาฟังธรรมเราก็นั่งทานู่นทานี่คุยกันถ้าอย่างนี้ เสียงธรรมที่เข้ามาก็จะเข้ามาที่หูซ้ายออกหูขวาไปจะไม่เข้าไปในใจจะเข้าใจได้จะต้องฟังด้วยความตั้งใจจะไม่ต้องจะไม่ทำอะไรจะไม่พูดอะไรการฟังธรรมจึงจำเป็นจะต้องมีศีลศีลก็คือการไม่กระทำอะไรต่างๆนี่เเช่นตอนนี้ญาติโยมนั่งเฉยๆไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้รักทรัพย์ ไม่ได้ประพฤติผิดประเวณีแล้วก็ไม่ได้พูดปดไม่ได้คุยกันก็เลยทำให้สามารถฟังเสียงธรรมได้อย่างต่อเนื่องฟังแล้วก็ถ้าใจไม่สงบก็ฟังไม่รู้เรื่ององีกนอกจากกายวาจาที่จะต้องสงบแล้วใจก็ต้องสงบคือใจต้องไม่คิดอะไรในขณะที่ฟังธรรม แม้แต่การบริกรรมพุทโธหรือการดูลมหายใจเข้าออก mm. ก็ก็ไม่ควรทำในตอนฟังธรรมตอนฟังธรรมนี้มีหน้าที่ฟังอย่างเดียวฟังเสียงธรรมให้ใจจดจ่ออยู่กับเสียงธรรมอย่าไปคิดเรื่องอื่นอย่าไปพุทโธอย่าไปดูลมหายใจเข้าออกให้ฟังเสียงธรรมไปได้เรื่อ ย, อยแล้วธรรมจะกล่อมใจของเราให้เย็นให้สบาย แล้วถ้าเราเข้าใจความหมายของธรรมที่แสดงเราก็จะได้แสงสว่างได้ปัญญาได้รู้จักการที่เราจะเดินทางไปสู่ที่สงบที่เป็นบ้านที่มีแต่ความสุขของเราต้องตั้งใจฟังอย่าทำอะไรอย่าพูดคุยกันอย่าไปคิดอะไรแล้วธรรมที่เข้ามาภายในใจก็จะ เป็นประโยชน์ประโยชน์จากการฟังธรรมนี้มีอยู่5ประการด้วยกันคือหนึ่งเราจะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองธรรมที่เราเคยได้ยินแล้วถ้าเราได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับสามจะทำให้เราหายสงสัยในในเรื่องราวต่างๆได้ สี่จะทำให้เรามีปัญญามีความเห็นที่ถูกต้องและห้าทำให้จิตใจเราผ่องใสมีความสุขนี่คือมงคลที่จะเกิดจากการที่เรามาฟังเทศฟังธรรมกันเรามาฟังเทศฟังธรรมในเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนก็เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องการหลุดพ้นจากกองทุกนี่แหละที่พวกเราไม่รู้กัน กเราคิดว่าเราเป็นร่างกายเกิดมาแล้วอยู่กับร่างกายไปพอร่างกายตายไปเราก็คิดว่าเราก็จบตายไปร่างกายเอาไปเผาก็กลายเป็นขี้เถ้าไปเราก็คิดว่าเราเป็นร่างกายเราก็จบบุญบาปที่เราทำไว้ก็ไม่มีผลตามมาการเวียนว่ายตายเกิดก็ไม่มี เพราะอะไรจะไปเกิดในเมื่อร่างกายนี้มันตายไปแล้วเราก็จะคิดว่าเราตายแล้วเราก็สูญบุญทาไว้ก็ไม่ได้ผลบาปทำไว้ก็ไม่ได้ผลปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะไม่ได้ผลถ้าเราเห็นว่าตัวเราเป็นร่างกายแต่ความจริงพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นว่าตัวเราไม่ได้เป็นร่างกาย ตัวเราเป็นผู้รู <heart> ้ผ ok ู้คิดร่างกายคิดไม่เป็นรู้อะไรไม่เป็นร่างกายเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเวลาร่างกายตายไปร่างกายเขาไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายเขาไม่เดือดร้อนเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาเจ็บเขาไม่รู้ว่าเขาตายผู้ที่รู้นี้คือใจแต่ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เพราะว่าใจเราไม่มีรูปร่างเหมือนร่างกายใจของเราเลยไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายแต่ใจของเราต้องการใช้ร่างกายมาเป็นเครื่องมือพาเราไปไหนมาไหนพาเราไปหาความสุขต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็เลยมามีร่างกายพอเราได้ร่างกายเราก็คิดว่าเราเป็นร่างกาย แต่เวลาที่เรานอนหลับนี้เราเวลานอนหลับนี้เราไม่ได้เป็นร่างกายแล้วเวลานอนหลับเราฝันนี่เราไม่ต้องใช้ร่างกายพาเราไปไหนมาไหนเราฝันร่างกายก็นอนพักผ่อนผู้ฝันกับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันผู้คิดผู้รู้นี่เป็นคนละคนกับร่างกายเวลาร่างกายตายไปผู้รู้ผู้คิดยังไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ผู้รู้ผู้คิดนี่แหละเป็นผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปเป็นผู้ที่ไปเวียนว่ายตายเกิดใหม่หรือเป็นผู้ที่จะไปพัฒนิพานคือผู้รู้นี้ที่ไม่มีวันตายแต่ตอนนี้ผู้รู้ไม่รู้จักตัวเองเลยไม่มาดูแลผู้รู้เพื่อที่จะให้ผู้รู้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์กลับมาดูแลร่างกาย เพื่อให้ร่างกายสุขให้ร่างกายสบายแต่ดูแลร่างกายอย่างไรมากน้อยเพียงไร <c oughs> ก็ไม่สามารถที่จะรักษาร่างกายให้อยู่กับเราไปได้ตลอดไม่ช้าก็เร็วร่างกายก็ต้องแก่ร่างกายก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดร่างกายก็ต้องตายไปดูแลให้ดีขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะ รักษาร่างกายให้อยู่ไปได้ตลอดส่วนใจของพวกเรานี้เราไม่ต้องดูแลมันก็จะอยู่ไปตลอดแต่ถ้าเราดูแลมันก็จะทำให้ใจของเราหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ตอนนี้พวกเราไม่ได้ดูแลใจกันเรามามัวแต่ดูแลร่างกายเพราะเราต้องการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่าง เราก็เลยติดกับการมีร่างกายเวลาร่างกายอันนี้ตายไปเราก็กลับมาเกิดใหม่มามีร่างกายอันใหม่แล้วก็ต้องมาทุกข์กับการเลี้ยงดูร่างกายทุกข์กับการแก่การเจ็บการตายของร่างกายแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจะสอนให้พวกเราเปลี่ยนการดูแลอย่าไปดูแลร่างกายมากจนเกินไป ดูแลพอให้มันอยู่ได้ก็พอเพราะว่าเดี๋ยวมันก็แก่เจ็บตายงั้นไม่ต้องไปไปวุ่นวายกับการดูแลร่างกายพอให้มันอยู่ได้ก็พอมีข้าวกินเวลามื้อสองมือ้อมีที่หลบแดดหลบฝนได้มีเสื้อผ้าใส่สักสองสามชุดมียา ร, รักษาโรคเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็พอแล้วอย่าเอาเวลาอันมีค่านี้มา เสียเวลากับการเลี้ยงดูร่างกายมากจนเกินไปเอาเวลามาเลี้ยงดูจิตใจดีกว่าที่ต้องการการช่วยเหลือจากเราเราไม่ดูแลตัวเราเองเรากลับไปดูแลร่างกายที่เป็นเหมือนคนรับใช้ตัวเราตัวเจ้านายกลับไม่ดูแลกลับปล่อยให้ตัวเจ้านายนี้ต้องทุกข์ต้องวุ่นวายใจไปกับการดูแลคนรับใช้ พระพุทเจ้าบอกว่าอย่าไปดูแลร่างกายมากจนเกินไปให้มาดูแลใจการดูแลใจก็คือให้ใจหยุดการหยุดการกระทําบาปทั้งปวงอย่าไปทําบาปเพราะเวลาทําบาปแล้วใจต้องไปเพ้นผู้รับผลบาปเนี่ยที่ไปเกิดเป็นเดรัจฉานก็ใจนี่แหละไปเกิดที่ไปเกิดเป็นเปรตที่ไปตกนรกก็ใจนี่แหละเป็นผู้ไป แต่ถ้าไม่ทำบาป ก, ก็จะไม่ต้องไปวันนี้เรามารักษาศีลกันเหมือนกับการเาซื้อประกันภัยถ้าเรามีศีลห้าเราก็จะไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายศีลห้านี้จะรับประกันว่าตายไปแล้วจะไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปตกนรกนี่คือ สิ่งที่พระเจ้าสอนให้เราทำขั้นที่หนึ่งให้เรารักษาศีลกันซื้อประกันภัยเพื่อเวลาตายไปถ้าเรายังไปไม่ถึงพระนิพพานยังไม่สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดอย่างน้อยเราจะตายเกิดในภพที่ดีเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นเทวดาถ้าเราทำบุญเราก็จะได้เกิดเป็นเทวดาถ้าเราไม่ได้ทำบุญแต่เราไม่ได้ทำบา เราก็จะได้เป็นมนุษย์แล้วถ้าเราสามารถชำระต้นเหตุที่พาให้เรามาเกิดแก่เจ็บตายได้เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายตัวที่ทำให้เรามาเกิดแก่เจ็บตายเรียกว่ากิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่พวกเรากำลังมีอยู่ในใจ เวลาเราอยากได้ขนมอยากได้ของเล่นอยากจะเที่ยวอยากจะดูอยากจะฟังเรากำลังสร้างเหตุที่จะทำให้เราต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายใหม่ถ้าเราละนับความอยากเที่ยวอยากดูอยากฟังอยากหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายได้เราก็จะตัดเหตุที่จะทำให้เราต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายวิธีที่จะหยุดความอยากต่างๆด้วยความโลภ ความโกรธความหลงได้ก็อยู่ที่การมาปฏิบัติธรรมเราต้องปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็คืออะไรก็คือการมาควบคุมใจอย่าปล่อยให้ใจคิดไปในทางความอยากให้ใจคิดไปในทางความไม่อยากแล้วใจก็จะได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้การจะปฏิบัติการที่จะทำให้ใจสงบได้ ท่านที่หนึ่งก็ต้องมีศีลที่มากกว่าศีลห้าคือต้องมีศีลแปดเช่นวันพระนี้เขาเจ้าจะให้คนที่รักษาศีลห้าได้มาหัดรักษาศีลแปดกันเพราะถ้ารักษาศีลแปดได้ก็จะมีเวลามาปฏิบัติธรรมถ้าไม่ได้รักษาศีลแปดก็จะไม่มีเวลาเพราะเดี๋ยวก็จะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไปกินเลี้ยงที่โน่นที่นี่ไปดูหนังไปฟังเพลง ได้เพราะสีห้าไม่ได้ห้ามไม่ให้กระทำกิจกรรมเหล่านี้แต่ถ้าเราถือสีแปดเราก็จะไปไม่ได้พอเราไปไม่ได้เราก็จะมีเวลามาปฏิบัติธรรมมานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบใจจะสงบก็ต้องมีสติสติจะมีได้ก็ต้องมีอารมณ์ดึงใจเอาไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ เช่นมีพุโทโธพุธโทโธเป็นอารมณ์เราก็คิดอยู่กับคาว่าพุโทโธพุธโทโธไปแล้วใจเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงที่เที่ยวที่ที่ที่เล่นที่หาความสุขต่างๆได้พอเราควบคุมใจได้ควบคุมความอยากได้ใจเราก็สงบมีความสุขแล้วเราก็ไม่ต้องมีร่างกายเพราะเรามีความสุขได้โดยไม่ต้องมีร่างกาย เราก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วนี่คือวิธีการที่จะทำให้เราได้มงคลที่สูงสุดของชีวิตก็คือการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายอีกต่อไปถ้าเรารักษาศีลทาบุญแล้วก็ปฏิบัติธรรม แล้วจิตใจของเราก็จะไม่มีอะไรมาฉุดล่างให้ไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปจิตใจของพวกเราก็จะเป็นเหมือนของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันต์ที่ท่านได้ชําระจนสะอาดบริสุทธิ์แล้วท่านไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกแล้วแล้วท่านก็มาเผยแผ่สั่งสอนให้พวกเราได้รู้จักวิธีที่พวกเราจะได้ หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งเราก็จะสามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แ้ะสามารถหลุดพ้นได้ภายในชาตินี้เลยไม่ต้องมาสร้างบุญบารมีเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าต้องสร้างเพราะพระพุทธเจ้าไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกทาง พวกเรานี้โชคดีมีคนสอนมีคนบอกทางเราเลยไม่ต้องไปหาทางด้วยตนเองไม่ต้องไปคํำไปสร้างบุญบารมีต่างๆทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพียงสามข้อนี้เท่านั้นก็ทำให้เราได้ไปถึงพระนิพพานได้หลุดพน้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็คือให้เราทำกุศลทั้งหลายให้ถึงพรละบาปทั้งปวง แล้วก็ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาแล้วรับรองได้ว่าเราจะได้หลุดพน้นได้เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าและได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรซึ่งนานๆที่จะมีโอกาสอย่างนี้สักครั้งหนึ่งเราจึงไม่ควรที่จะปล่อยโอกาสอันนี้ให้ดี ที่ให้ให้หลุดมือไปอย่าเป็นไก่ได้พลอยไก่นี่เวลาเขาคุยเขาหากินเขาจะขุดขุดคุยหาตัวหนอนตัวไส้เดือนมากินเวลาเขาเจอเพชเจอพลอยนี่เขาเขียยทิ้งไปเพราะเขากินไม่ได้เขาไม่รู้ว่าถ้าเขาเก็บเอาไว้เอาไปขายเขาจะสามารถซื้อตัวไส้เดือนหนอนไปกินได้ไปจนวันตายเขาไม่รู้คุณค่า พวกที่ไม่รู้คุณค่าของพระธรรมคาสอนก็เหมือนกับไก่ได้พลอยนี้เองจะรู้แต่คุณค่าของเงินทองทรัพสมบัติสิ่งของต่างๆก็จะหลงกับการหาทรัพสมบัติเข้าของเงินทองที่ไม่สามารถที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้มีพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นที่จะทำให้เราหลุดพ้นได้เราจึงควรที่จะ มีความยินดีในธรรมยิ่งกว่าการยินดีในสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะถ้าเรายินดีในธรรมเราก็จะได้ทมเราก็จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเรายินดีกับลาบยศสรรเสริญยินดีกับทรัพ์สมบัติเข้าของเงินทองเราก็จะติดกับการเวียนว่ายตายเกิดเพราะเราจะต้องกลับมาหาทรัพสมบัติเข้าของเงินทองอยู่เรื่อยๆ อย่างที่เรากำลังเป็นอยู่ในขณะนี้เหตุที่เรากลับมาเกิดกันก็นเพราะเรายัางอยากได้ทรัพสมบัติข้าวของเงินทองกันแต่ถ้าเราไม่อยากเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดจะไม่อยากได้เราก็ต้องมีธรรมะของพระพุทธเจ้าพาเราให้เราปฏิบัติจนเราสามารถหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปจึงควรที่จะ เข้าหาธรรมะ ก, กันอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ควรจะมาฟังเทศฟังธรรมกันสักครั้งหนึ่งแต่ถ้าอยากจะฟังมากกว่านั้นหรือศึกษามากกว่านั้นก็สามารถทำได้ทุกวันเลยเพราะตอนนี้เรามีหนังสือมีซีดีมีสืส่อธรรมะต่างๆที่เราจะสามารถศึกษาได้ถ้าเราศึกษาไปเรื่อยๆ เ, เราก็จะเห็นทางชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วเราก็จะ สามารถเดินไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราปรารถนาได้จึงขอฝากเรื่องของการมาวันเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตนี้ให้ท่านได้นําเมาไปพิจารณาเพื่อปฏิบัติเพื่อความสุขที่ถาวรและการสิ้นสุด ข, ของความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา